5. ปัจจุปันนาคตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลจะขายัตนะมูลกนัย166อนุโลมปุชชจฉาจะขายัตนะของบุคคลใดกำลังดับโสตายัตนะของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมพิสัชนา บุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวโการาภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในอรู ป, ปรภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังจุติจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่โสตายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรคู่เกิดได้กําลังจุติจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและโสตายตนะก็จากดับปฏิโดมปุชชา โสตายตนะของบุคคลใดจกดับจะขายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมพิจัดชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีจักรูเกิดไม่ได้กําลังจุติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นจกดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้มีจักรูเกิดได้กําลังจุติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นจกดับและจักขายตนะก็กําลังดับ อนุโลมปุจฉาจะขายัตนาของบุคคลใดกําลังดับคานายัตนะของบุคลลบาาบคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิทัชนาะบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิและอักรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังจุติจะขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่คานายัตนะไม่ใช่จักดับ บุคคลนอกนี้ผู้มีจักรคูเกิดได้กำลังจุติจะขายัตนาของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและคานายัตนาก็จะดับปฏิโมปุจฉาคานายัตนาของบุคคลใดละอนุโลมปุจฉาจะขายัตนาของบุคคลใดกำลังดับปรูปายัตนาของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาะ บุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการลภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรู ป, ปรภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังจุติจะขายาตนาของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่รูปายาตนาไม่ใช่จากดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจกักรคูเกิดได้กําลังจุติจะขายาตนาของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแล้วรูปายาตนาก็จากดับปฏิโลมปุจฉา รูปายตนะของบุคคลใดละอนุโลมปุจฉาจะขายตนะของบุคคลใดกําลังดับมานายตนะละธรรมายตนะของบุคคล น, นั้นก็จะดับใช่ไหมวิจนะัชณนาบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิจะขายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักดับ บุคคลนอกนี้ผู้มีจักรคูเกิดได้กําลังจุติจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและธรรมายัตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายัตนะของบุคคลใดจักดับจักขายัตนะของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีจักรคูเกิดไม่ได้กําลังจุติธรรมายัตนะของบุคคลเหล่านั้นละ บุคคลผู้มีจักรคูเกิดได้กําลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นละคานายตนะมูลกนัยหนึ่งรอนุลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดกําลังดับรูปลายตนะของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจาชนาบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิ และบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในอรูปปภูมิแล้วปริณิพานซึ่งกาลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่รูปายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กำลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและรูปายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉา รูปายตนะของบุคคลใดจักดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่คานายตนะไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและคานายตนะก็กําลังดับ อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดกำลังดับมณนายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกามาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้กำลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและธรรมายตนะก็จักดับ ปฏิโลมปุชฌาธรรมายตนะของบุคคลใดและรูปายตนะมูลกานในหนอยหกสอนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดกําลังดับมานายตนะและธรรมายตนะของบุคคล น, นั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่ธรรมายาตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีรูปเกิดได้กําลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและธรรมายาตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายาตนะของบุคคลใดจักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมพิจัดชนาะ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 ธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจชะนาบุคคลผู้กำลังปรินิพานมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจิตเกิดได้กำลังจุติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและธรรมายตนะก็จักดับปฏิโรมปุจชาธรรมายตนะของบุคคลใดจักดับ มนายาตนะของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัรณาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังจุติธรรมายาตนาของบุคคลเหล่านั an, ้นจักด no ับแต่มนายาตนะไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้มีจิตเกิดได้กําลังจุติธรรมายาตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและมนายาตนะก็กําลังดับอนุลมโอกาสจักขายาตนะมูลกันใย หนึอนุโลมปุจฉาจะขายยตนะของบุคคลใดกําลังดับละอนุโลมปุกคโลกาดจะขายยตนะมูลกะนใดหน1่งอนุโลมปุจฉาจะขายยตนาของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับโสตายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิตตัชนาะ บุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิจะขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่โสตายัตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขู่เกิดได้กำลังจุติจะขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและโสตายัตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉา โสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิทัชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้มีจ okay? ักขู market market. ่เกิดไม่ได้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่จักหายตนะไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้กําลังจุติ โสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและจักขายตนะก็กำลังดับอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิทัดชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในการมาวจรภูมิและบุคคลผู้กำลังจุติจากรูปาวจรภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับ แต่คานายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขู่เกิดได้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิจากข า, ายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและคานายตนะก็จักดับปฏิโมดมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดละในมุงเร็บ3วาระในปัจจุบันและอดีต ท่านขยายให้พิสดานแล้วฉันใดแม้วาระนี้ก็พึงขยายให้พิสดารฉันนั้นอนุโลมปุจฉ้จาจะขายะตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับรูปายะตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิตัตชนาะบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิจะขายะตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่รูปายะตนะไม่ใช่จักดับ บุคคลนอกนี้ผู้มีจักรคเกิดได้กําลังจุติจะขายัาาตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแล้วรูปายัตนาก็จะดับปฏิลมปุจฉารูปายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดาละอนุโลมปุชชจฉาจะขายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับมนายัตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิ จักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่มนายัตนาไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ ok ผู้มีจักขู่เกิดได้กำลังจุติจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและมนายัตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉามนายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดละอนุโลมปุจฉา จักขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับทำมายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิจักขายัตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่ทำมายัตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขู่เกิดได้กำลังจุติจักขายัตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและทำมายัตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉา ทำมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจักขายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีจักรคู่เกิดไม่ได้กำลังจุติทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่จักขายยตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีจักรคู่เกิดได้กำลังจุติทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและจักขายยตนะก็กำลังดับ จักขายาตนาโมลกนาอจบคานายตนโมลกนานึ่งร้อยเจ็ดานายตาของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับรูปายตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิคานายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่รูปายตนาไม่ใช่จักดับ บุคคลนกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กําลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและรูปลายตนะก็แจกดับปฏิโดมปุจฉารูปลายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจจกดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจารนาะบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังจุติ จากกามาวาจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวาจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นละอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับมานายตนะละธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิตัตชนาบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกาามาวาจรภูมิ คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กําลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและธรรมายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดละรูปายตนามูลกันในหนึอยเจ็อนุโลมปุจฉา รูปายตนาของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับมนาายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัิชนาบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญัตต ภ, ภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่มนาายตนาไมิใช่จากดับบุคคลนอกนี้กําลังจุติจากปัญจโวการภูมิ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและมานายตนะก็จกดับปฏิโลมปุจฉามานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดและอนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิ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 มนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กําลังปรินิพานมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจิตเกิดได้กําลังจุติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและธรรมายตนะก็จักดับปฏิโลมปุชชา ธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจัก um ดับปนาญาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติได้บุคคลผู้มีจ uh ิตเกิดไม่ได้กําลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่มนายาตนะไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้มีจิตเกิดได้กําลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและมนายาตนะก็กําลังดับ ปจณจีกับบุคคลจกขายยตนามูลกะันในหนึอยเจ็อนุโรมปุจฉาจากขายยตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับโสตายตนาของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจชนะนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีจกักขเกิดไม่ได้กําลังจุติจกขายยตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่โสตายยตนะม่ใช่จักไม่ดับ ปัจฉิมพวิกะบุคคลในรูปประภูมิจักขายตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและโสตายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจชนะนาบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปประภูมิแล้วปรินิพานกำลังจุติ โ ส, สตายรรร s> <S ตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่จักขายตนามิใช่ไม่กําลังดับปัดชิมภวิกรบุคคลในรูปประภูมิโ ส, สตายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและจก ana, ักขายตนะก็ไม่ใช่กําลังดับอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีจักรคเกิดไม่ได้กําลังจุติจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่คานายัตนะมีใช่จักไม่ดับปัดฉิมภวิการบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปาวจรภูมิและปัดฉิมภวิการบุคคลแนวรูปประภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กาลังดับและคานายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉา คานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจักข า, ายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจชนะนาบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการะภูมิและบุคคลเหล่าใดจะเกิดในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่จักข า, ายยตนะมิใช่ไม่กําลังดับปัดฉิมภวิกบุคคล ผู้กําลังอุบัติในรูปรารวจรภูมิและปัดฉิมภวิการบุคคลแนวรูปประภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและจักขายตนะก็ไม่ใช่กําลังดับอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับรูปารยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิตัตชนา บุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีจะคูเกิดไม่ได้กำลังจุติจักขายัตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่รูป า, ายัตนะไม่ใช่จักไม่ดับปัดฉิมพวิกรบุคคลในรูปประภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและรูปล า, ายัตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉารูปายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับ จากขายาตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรู ป, ปภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังจุติรูปลายาตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากดับแต่จากขายาตนะไม่ใช่กําลังดับปัจฉิมภวิกาบุคคลในรู ป, ปภูมิรูปลายาตนาของบุคคลเหล่านั้น ไม่ใช่จักดับและจักขายัตนะก็ไม่ใช่กำลังดับอนุโลมปุจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับมนายัตนะและธรรม า, ายัตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จะกดับใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีเจริญเกิดไม่ได้กำลังจุติจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่ธรรมายัตนะไม่ใช่จักไม่ดับ บุคคลผู้กำลังปรินิพพานแนวรูปประภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักไม่ดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิตัชนาะบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับ แต่จักขายตนะมิใช่ไม่กําลังดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานในรูปประภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและจักขายตนะก็ไม่ใช่กําลังดับหนึอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับรูปายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิตัชชนาะ บุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่รูปายตนะไม่ใช่จากไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานในรูปาาจารภูมิและปัจฉิมภรวิกรบุคคลในรูปประภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและรูปายตนะก็ไม่ใช่จากดับปฏิโลมปุจฉา รูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็มิใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้กําลังปรินิพานในการมาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติแนวรู ป, ปรภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่คานายตนะมิใช่ไม่กําลังดับ บุคคลผู้กําลังปรินิพพานในรูปาวจรภูมิและปัจฉิมภาวิกาบุคคลในรูปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและคานายตนะก็ไม่ใช่กําลังดับอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับมานายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาะ บุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีคานาเกิดไม่ได้กำลังจุตติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่ธรรมายตนะมิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับ คานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมพิดาชนะบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกามาวจภารภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่คานายตนะมิใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและคานายตนะก็ไม่ใช่คคกาลังดับ<ภ> 177อนุโลมปุจชารูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับมานายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิจัิชนะบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จากไม่ดับ บุคคลผู้กำลังปรินิพพานแนวรู ป, ปภูมิรูปรายตนะไม่ใช่กำลังดับและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนะบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปันจญจโวการภูมิธรรมายตนะไม่ใช่จักดับแต่รูปายตนะไม่ใช่กาลังดับ บุคคลผู้กําลังปรินิพพานในรูปปภูมิธรรมายตนะไม่ใช่จักดับและรูปายตนะก็ม่ใช่กําลังดับ 1.78 อนุโลมปุจฉามนานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาจักดับปฏิโลมปุจฉา ทำมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จากัดับมนายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิศาชนากำลังดับปัจจณีกับโอกาสจักขายยตนะมูลกันในหนึอนุโลมปุจฉาจักขายยตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับละปัจจณีกับปุขโลกาตจักขายยตนะมูลกันใน 180อนุโลมปุจฉาร์จะขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิจะขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่โสตา ย, ยตนยะตน ไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและโสตายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโดมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิ โสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใ anyway ช่จักดับแต่จักหายตนะไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและจักหายตนะก็ไม่ใช่กําลังดับอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับ คานายตนะของบุคคลนั้นในภูม no no ิน no ั no ้นก็ไม no ่ใช่จ no no no no no no no no no ักด th ับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้ก no no no ําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่คานายตนะมิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังอุบัติในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิ จักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในปูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและคานายัตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาคานายัตนะของบุคคลใดในปุ่มใดไม่ใช่จักดับจักขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจชะนาบุคคลผู้กําลังปรินิพพาในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้กําลังจุติจากรูปาวจรภูมิ คานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่จักหายตนะไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลผู้กําลังอุบัติในรูปปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและจักหายตนะก็ไม่ใช่กําลังดับอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับ รูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิบุคคลผู้มีจกักรคเกิดไม่ได้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจักขายายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่รูปายตนะมิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้บัตอยู่ในรู ป, ปภูมิ จักรายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและรูปายัตนาก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉารูปายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจักรายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิรูปายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับ แต่จักขายัตนะไม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้บัตอยู่ในรูปภูม <éri> <enson> ิรูปายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและจักขายัตนะก็ไม่ใช่กำลังดับอนุลมปุจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดในภูมิดไม่ใช่กำลังดับมนายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กำลังบัติในปัญจโวการภูมิ บุคคลผู้มีจะขูเกิดไม่ได้กำลังจุติจากกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัตยู่ในรูปประภูมิจะขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่มนายตนะไม่ใช่จากไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในรูปประภูมิและบุคคลผู้บัตยู่ในสัญญาสัตภูมิจะขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและมนายตนะก็ไม่ใช่จากดับ ปฏิโรมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจะขาดยตนะของบุคคลนั้นในภูมิ น, นั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่จะขาดยตนะมิใช่ไม่กําลังดับบุคคลผู้กําลังปรินิพพานแนวรู ป, ปภูมิ และบุคคลผู้บัตรอยู่ในสัญญสัตตภูมิมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและจักหายตนะก็ไม่ใช่กําลังดับอนุโลมปุจฉาจักหายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กําลังจุติ จักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่ธรรมายัตนาไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปริญญนิพานในรูปประภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและธรรมายัตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจักขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหม วิตัชนาบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับแต่จากขายตนะไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานในอรูปภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับและจากขายตนะก็ไม่ใช่กําลังดับจากขายตนะมูลกันในจบ คานายตนามูลกนัยหน1่งอนุโลมปุจฉาคานายตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังจุติจากกามาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิ คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่รูปายตนะม่ใช่จากไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในอรูปภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและรูปายตนะก็ไม่ใช่จากดับปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากดับ คานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิตัิชนาะบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิรู ป, ป า, ายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่คานายตนะไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานในรู ป, ปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปประภูมิ รูปลายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและคานายตนะก็ไม่ใช่กําลังดับอนุโลมปุจฉาคานายตา น, ใใ น, น, นะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับมานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังจุตติจากกามาวจรภูมิ และบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหนน ล, ล่นานั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่มนายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในสัญญาสัตตภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและมนายตนะก็ไม่ใช่จักดับ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 คานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิตัชนาบุคลนนบคลผู้กำลังปรินิพานในกามาวจรภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับแต่คานายตนะไม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับและคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับ มานายตนะมูลกะนัยจบรูปายตนะมูลกะัยนึ่งอยแปดอนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังดับมานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในรู ป, ปภูมิ รูปายตนะของบุคคลเหล่าน mm ั hmm. mm ้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับแต่มนายตนะมิใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานในอรูปภูมิและบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสศัญยัจตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังดับและมนายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับ รูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัตยู่ในอสัญญสัตตภูมิซึ่งกําลังจุติมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่รูปายตนะมิใช่ไม่กําลังดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานในรูปภูมิและบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญสัตตภูมิ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 บุคคลผู้กำลังปรินิพานในรูปประภูมิรูปายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและธรรมายตนาก็ไม่ใช่จากดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากดับรูปายตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิ ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั own, ้นในภูมินั้นไม่ใช่จัก <học> ดับแต่รูปายตนะไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานแนวรูปภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและรูปายตนะก็ไม่ใช่กําลังดับรูปายตนะมูลกระในจบมนายตนะมูลกรในหนึอยแปดอนุโลมปุจฉา มาานายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับธรรมายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัชนะจักดับปฏิโลมปุจฉาธรรมายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับมาานายัตนะของบุคคลนั้ น, ใ, ใ, น, ใ, นในภูมิ น, นั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนะกำลังดับมาานายัตนะมูลกนัยจบ